ขอความสุขความเจริญจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็คงจะนำพระสูตรในเอกนิบาตอังคุตรนิกายที่ว่าด้วยเอตัทธัคค า, าลิคือส่วนที่ว่าด้วยเอตัทัคาสาวกทั้งหลายก็เป็นการนำตัวอย่างของพุทธบริษัททั้ง4ฝ่ายละหนึ่งท่าน มาเป็นแนวในการพินิจพิจารณาถึงทั้งภูมิหลังคือเรื่องอดีตของท่านและปัจจุบันของท่านวันนี้ก็ถึงคราวของอุบาสกบริษัทที่จริงอุบาสกบริษัทนั้นเริ่มมาจากท่านตาปุสะพันลีกะซึ่งเป็นทเววาจิกะอุบาสกแต่ว่าบาลีไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรไว้ แล้วท่านต่อมาก็คือพ่อของพระยศะบาลีก็ไม่ให้รายละเอียดไว้เหมือนกันเพราะงั้นจึงต้องเอาท่านที่สามขึ้นมาพูดคือท่านสุทัตะคือหบดีหรือที่เราเรียกเรารู้โดยชื่อทั่วไปว่าอนาธบินทิกะเศรษฐีท่านผู้นี้ พระคำพีประปัญญยสุธนีซึ่งเป็นการอธิบายพระไตรบิฎกตอนนี้และเล่าถึงบุพกรรมของท่านก็ทำนองเดียวกับท่านอื่นๆที่ว่ามาแล้วคือเริ่มสร้างบา ร, รมีตั้งความปรารถนาที่จะได้เป็นยอดแห่งทายกผู้เลิศในการบำรุงพระสงฆ์อยอดในทางการให้ทาน ในสำนักของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตะเหมือนกันคือเหมือนกับสองท่านที่ว่ามาแล้วคือในสมัยนั้นท่านเกิดเป็นกุลบุตรก็ได้นับถือพระพุทธเจ้าปทุมุตตะเช่นเดียวกับคนเหล่าอื่นแต่ว่าท่านเกิดประทับใจในตำแหน่งของเพื่อนคนหนึ่งที่ ในรับยกจ้องจากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปตุมุทตะกาเป็นยอดแห่งอุบาสกทั้งหลายผู้ให้ทานท่านก็เริ่มทําบุญให้ทานเช่นเดียวกันแล้วก็ตั้งความปรารถนาในพุทธสํานักขอให้ท่านได้มีโอกาสเป็นยอดแห่งทายกในสํานักของพระพุทธเจ้าคนใดองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตจัการา ได้รับการพยากรณ์ในพุทธสํานักว่าจะได้เป็นยอดแห่งทายกในทางให้ทานในสํานักของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายหลังจากท่านทําการและกิริยาแล้วบาลีบอกแต่เพียงว่าท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากเรื่องตอนช่วงตรงกลางๆท่านไม่เล่าไว้ก็มาเล่าถึงชาติที่เป็นพุทธสมัย ท่านไดม้มาบังเกิดในเป็นลูกของสุมนเศรษฐีในเมืองสาวัตถีได้ชื่อว่าสุทัตตะแปลว่าให้ดีแล้วต่อมาก็ได้รับมรดกจากวิดาซึ่งเป็นมรดกจำนวนมากแต่อัตยาศัยที่ท่านฝังมาตั้งแต่ชาติก่อน คือ ป, ปรารถนาที่จะเป็นยอดของอุบาสกผู้เลิศในทางให้ทานท่านก็ยินดีที่จะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นคนยากไร้อนาถาซึ่งก็มีอยู่เป็นนั้นมากจนในที่สุดได้เนมิตรกานามคือนามที่เกิดขึ้นจากเกียรติคุณความดีของท่านว่าอนาทบินทิกะเศรษฐี แปลว่าเศรษฐีที่มีก้อนข้าวเพื่อคนยากจนือคนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้นานข้าวนานข้าวเอเนมมิตรกนามกลายเป็นชื่อจริงชื่อจริงไม่มีใครรู้จักท่านก็สร้างโรงทานขึ้นมาช่วยเหลือคนยากไร่พอทำมานานนี่ก็เป็นพื้นทางอัยาสิยที่แผก่ออกไป ต่อมาคราวหนึ่งท่านมาที่กรุงราชเครืสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกแต่ว่าตอนต้นๆคือประมาณสักษีห้าปีท่านก็ท่านเป็นคู่เขยกันกับราชกรหะเศรษฐีราชกรหะเศรษฐีคนนี้ก็คือคนที่ขอพุทธานุญาตสร้างเสนาสนะถวายพระคนแรกของโลก ก็สร้างเป็นกระสอบเล็กๆ <c oughs> ดังนั้นดังนั้นที่อยู่ของพระจึงในชื่อว่ากุติัึงแปลว่ากระสอบสร้างวันเดีย6หสบหลังในการสร้างขึ้นคราแรกตอนพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาในกรุงราชสกขึตอนใหม่ๆหลังจากนั้นท่านก็เป็นอุบาสกที่ให้การบำรุงพระสงค์ในสมัยนั้นอย่าลืมว่าประชาชนทั่วไปยังไม่ได้นับถือกว้างขวางอะไร การเลี้ยงดูพระจึงเป็นภาระของโตเศษธีกับพระราชาเป็นส่วนมากท่านราชการษฐธีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาสวยแลฉันในนิเวศของตนวันนั้นท่านนาท บ, บินธิกาเศษธีมาถึงพอดีเขากำลังจัดจากเตรียมาหารที่จะถวายพระในตอนเช้ากันพอดี ราชกาเศรษฐีก็ทักคำหนึ่งแล้วก็ก็ไม่ได้สนใจไปจัดแจงเรื่องการจัดเสียมอาหารอยู่ทําไม้ท่านอนาธบินทิกะเศรษฐีเกิดรู้สึกสงสัยว่าเอราชกะเศรษฐีนี่เป็นยังไงไปเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้พอเรามาก็ต้องละทิ้งกิจการงานทุกอย่างมาต้อนรับมาเอาจุดใส่แต่วันนี้ทักคำเดียวแล้วก็หายไปเลย เส็แล้วท่านก็ไปสอบถามว่าทำไมท่านจึงเปลี่ยนแปลงไปรลชกาเศรษฐีก็บอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกแต่กาลังตัดเตรียมอาหารเพื่อจะถวายพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นอนาตบินติกาเศรษฐีอาศัยที่เป็นคนมีบารมีก็ถามซ้ำลงไปว่าท่านพูดอะไรนะบอกพระพุทธเจ้า จะถาวายอาหารแก่พระพุทธเจ้าแกถามว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วหรือเนี่ยรัชกาเศรษฐีก็บอกว่าเกิดขึ้นแล้วคือคืออาศัยที่ท่านปีติเกินไปทั้งฟังไม่ได้ยินน่ยให้ราชกาลเศรษฐียืนยันถึงสามครั้งแล้วก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเวลานี้ประทับอยู่ที่เวลุวันซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านของราชกาเศรษฐีมากนักแต่ก็อยู่นอกเมืองไป ท่านก็ขอเข้าเฝ้าราชการเศรษฐีก็บอกว่าขอเฝ้าพรุ่งนี้ดีกว่าแล้วก็อาศัยที่ที่ที่มันคืออัตยาศัยท่านท่านสร้างมาทางนี้ท่านก็บอกจะขอเหมาทั้งหมดไอ้ที่ที่ที่ของที่เตรียมเน่ยจะขอเหมาเป็นเจ้าภาพเองพรุ่งนี้ราชกาเศรษฐีก็ไม่ยอมก็ในที่สุดขอเฝ้าก็ไม่ได้ขอเหมาก็ไม่ให้ท่านก็นอนไม่หลับ อยากจะฟาดพระพุทธเจ้ า, า, า, าลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นอีกในที่สุดไ อ, ไ, อ ไ, อไอ้ไอ้บารมีไอ้อะไรที่ท่านสร้าง ส, างสมบร ม, มัมันกระตุ้นแรงเกินไปท่านลุกขึ้นโดยเข้าใจว่ามันสว่างแล้วเดินไปกลางคืนเลยไม่ใช่บ้านเมืองของตัวเองเดินไปดึงไม่เจอมือดเข้าไปชักเสียวๆหลังนงกันแต่ก็มีเสียงกระซิบว่า อนาตบินทิกะเศรษฐีเธอจงก้าวไปก้าวแต่ละก้าวของเธอนั้นมีประโยชน์แต่การถอยกลับนั้นไม่มีประโยชน์ทั้งก็ก้าวไปปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ที่ประเวฬุวันแต่ไปประทับอยู่ที่ศีตะวันซึ่งว่าที่จริงก็ใกล้ๆ ก, กับเวรุวันนะครับคือพระเวรุวันเนี่ยมันแบ่งเป็นด้านหน้าในสองส่วนด้านในในส่วน ถ้าท่านที่เคยไปอินเดียคือคือนับจากด้านในถนนไปอที่สะที่ญี่ปุ่นมาขุดเอาไว้ที่มีพระพุทธรูปองค์ดํำด้านในเขาเรียกว่าโมระนิวาปะพระเจ้าพิมิสารไม่ได้ถวายคือยังเป็นที่เลี้ยงนกยุงอยู่แล้วด้านนอกก็แบ่งเป็นสองตอนตอนที่มีพระพุทธรูปองค์ดํำมีสะที่จริงไม่ใช่สะหรอกเขาขุดเพื่อต้องการดูแผ่นดินประเชศตะวันสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่พอขุดแล้วมันลึกไปเป็นสะ ตอนนั้นเขาเรียกว่ากลันตกะนิวาปะเสถานเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตซึ่งพระเจ้าพิมพิสารถวายแก่พระพุทธเจ้าแต่ว่าด้านต่อไปนั้นเป็นด้านเป็นที่ทิ้งซากศพก็เรียกสีตะวันคือป่าเย็นมันมีแต่ซากศพเข้าไปน่ากลัวผีหลอกพระพุทธเจ้าไปประทรับอยู่ที่นั่นท่านาทบินนิกาเศรษฐีก็เดินไปเดินไปเฝ้า ถึงที่ประทับก็อากาศยังมืดอยู่พระพุทธเจ้าเมื่อท่านานาตาบินิกาเศรษฐีเดินมาทางมืดอย่างนั้นเราเสด็จมาตอนรับแล้วก็รับสั่งว่าสุทัตตะเข้ามาเถอะเราอยู่ที่นี่แล้วท่านทั้งหลายลองนึกดูก็แล้วกันนะฮะคือว่าคนที่ใครไม่เคยได้เรียกชื่อเลยสุทัตตะเนี่ยพอชื่อก็ลืมไปนานแล้วไม่มีใครรู้จักแต่พระพุทธเจ้ากลับรู้จักแล้วก็เรียกชื่อเดิม แล้วก็เสด็จมารอคอยอยู่ท่านอนาถบินิกาเศรษฐีด้วยอำนาจที่ปีติเอิบอิมนะีมก็เข้าไปกราบแท่พระบาทอะไรูปครามพระบาทจูบพระบาทแล้วก็ถามเหมือนกับคุ้นเคยกันมาสาักสี่้าสิบปีแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าเมื่อท่านไอระ ง, งับไอปีติตื่นเต้นเอิบอิีมของท่านส ง, งบอยู่กอสมควรแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะให้ฟัง ก็บรลุษโซดาปฏิพลด์พรุ่งขึ้นเช้าก็บรุโสดาปฏิพลดพลแล้วก็นิมนต์นิมนต์ฉันนะนิมนต์ฉันมรืนพระพุทธเจ้าก็ทรงรับด้วยดุสเนีท่านก็กลับไปที่บ้านราชกะเศรษฐีแล้วขอต่อรายการราชกะเศรษฐีก็ดีพระเจ้าพิมิสารก็ดีพอ ร, รู้ว่านาติบินิกะเศรษฐีได้นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงรับ สมัยตอนนั้นถึงแม้ว่าจะคนยังไม่มากฮะแต่ก็แย่งกันพระราชากเกษตรีนี่แย่งกันแย่งกันจะบำรุงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีอย่างหนึ่งว่าจะไม่รับอาหารที่บ้านใครประจำเพราะจะเสียความเป็นธรรมคนทั้งหลายนั้นต้องการถวายอาหารกับพระพุทธเจ้ า, เาคืนไปรับบ้านใดบ้านหนึ่งประจำคนอื่นเขาก็เดือดร้อน ทีนี้อาศัยที่ท่านเป็นคนต่างเมืองมาก็คงจะไม่เตรียมทรัพย์สินเงินทองอะไรมามากบางคนต่างก็ขอให้ยืมเงินก่อนคือตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็ขอให้ยืมเงินแต่ว่าท่านไม่ยอมรับท่านถวายอาหารพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์เป็นเวลาถึงเจ็ดวันต่อกันเลซึ่งก็เป็นคนสร้างบา ร, รมีมาเพื่อการนี้นะฮะก็รับให้ได้ถึงเจ็ดวัน และในที่สุดก็กราบทูนะราธนาพระพุทธเจ้าให้ไปโปรดสัตว์โลกที่กรุงสาวัตถีด้วยพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าคือหาบ ด, ดีแตถาคตนั้นยินดีในที่สงัดทนะ่านก็กราบทูวนะ่าข้อนี้ข้อนี้ข้าพระองค์ทราบแล้วก็ขอให้พระองค์เสด็จไปเมื่อข้าพระองค์ส่งข่าวมาอาศัยที่ท่านเป็นคนก็เรียกว่าอาจจะคนเดียวเลยทั้งไปนะฮะที่เป็นอุบาสก ที่เกิดขึ้นจากไอเนมิเตอกานามที่เกิดขึ้นจากความดีแต่เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นก็มีอยู่หลายคนแต่เกิดขึ้นจากความดีที่อนุเคราะห์สงเคราะห์คนยากรายย้เนี่ยเราทำให้ท่านมีชื่อเสียงตลอดกรุงราชชครึกมาถึงสาวัตถีแล้วคนในกรุงสาวัตถีนั้นถือว่าเป็นบุคคลมงคลกัด้วยจะมีอยู่สองท่านที่ถือว่าเป็นคนมงคลตันาตบินทิกาเศรษฐีกับนางวิสาขา ใครมีงานใหญ่โตอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าสองท่านนี้ไม่ได้ไปอย่างน้อยสักคนเนี่ยถือว่างานนั้นไม่ใหญ่จริงต้องให้ได้สองท่านนี้ไปอย่างน้อยคนหนึ่งถ้าได้ไปสองคนเนี่ถือว่าใหญ่จริงคืองานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีจริงๆคือกลายเป็นบุคคลมงคลไปเลยท่านจึงกลับไปสาวัตถีก็บอกเพื่อนฝูงตลอดทาง บอกผมที่มนพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์มาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงสาวัตถีแล้วท่านก็จะการสร้างวิหารรายทางเอาไว้เพื่อรับเสด็จพร้อมด้วยพระพวกเปื้อนฝูงตลอดทางลงทุนไปมากเลยเกินแล้วไปถึงเมืองสาวัตถีไปหาสถานที่ที่จะสร้างให้มันคือท่านออกมาบำรุงก็สะดวกแต่พระพุทธเจ้าต้องได้ที่สงบ ซึ่งก็หมายความว่าไม่ไกลกับเมืองแล้วก็ไม่ใกล้เมืองจนเกินไปดูไปดูมาหาที่ไม่ได้ก็ไปเจอสวนนั่นเป็นอุทยานนะฮะของเจ้าชายชื่อเจ้าเชษตั้งใจขอซื้อเพื่อจะสร้างวัดตอนนั้นเจ้าเชษเองก็ยังไม่ได้รู้เรื่องพระพุทธเจ้าอะไรครับก็คิดจะพูดแบบไม่ขายบอกว่าถ้าเอาเอาเงินมาปูให้เต็มเราจะขาย คือคิดทําเงินที่ปูแต่ เ, เงินสมัยก่อนไม่เป็นแผ่นๆอ่ะก็เอามาแผ่ให้เต็มแล้วจะขายก็นึกว่านาถบินธิกะเศรษฐีคงไม่กล้าท่านเอานะฮะท่านปูลงตั้งแปดสบสิบแปดโกรปูที่ประเชศตะวันลงแปดสิบแปดโกดเจ้าเชตเห็นว่านายนี่เอาจริงฮก็เลยพอปูมาจวนใกล้ประตูะแกก็บอกพอแล้ว แกขอร่วมสมทบทําบุญด้วยเลยแกก็ได้หน้าไปที่จริงก็เลยชื่อเชตะวันนะ่ะจำตางที่ว่าแกเป็นเจ้าของที่ดินแค่ประตูแต่นั่นเองวันนี้มันก็บางทีมันก็เจอคนฉลาดฉลาดเข้าก็คล้ายๆกับสุธรรมสเอสภาศาลานั่นเองที่ในเรื่องของท้าสกเทวราชที่บอกว่าคนสร้างศาลากัน มาข้ามานพมีพัญญาสี่คนสร้างศาลากัน <c oughs> กับเพื่อนฝูงอีกสามในสามคนสร้างกันเสร็จพัญญาหลวงก็ฉลาดไปแอบจ้างทําช่อฟ้าไว้จ้างช่างทํำช่อฟ้าไว้ล่วงหน้าเราก็สร้างเสร็จไปถึงคราวจะฉลองบอกยังไม่ได้ติดช่อฟ้าเลย <c oughs> ถ้าทําไงช่อฟ้าก็ต้องเอาไม้แข้งแล้วใช้เวลาทํานานมไม่รู้จะทํำยังไง ในทสุดนายช่างก็เสนอบอกว่าไปขอซื้อใครมาก็ได้เขามีส่วนบุญร่วมด้วยไดกันคือพวกนี้มันพวกมีบารมีทําบุญปรารถนาที่จะไม่พบสตรีแล้วต้องการจะเป็นพรหมไปแล้วแต่โดนแผนซ้อนแผนเขาเลยก็ <c oughs> <c oughs> นางสุธรรมาเลยได้หน้าเป็นเจ้าของสาลาเรียกสาลาสุธรรมาทั้งๆที่งได้ออกช่อฟ้าช่อเดียเองสองสองอันส อ, องหัวสองหัวท้ายเท่านั้น แต่สวนเจ้าแช่ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเดีย๋ยวท่านก็เป็นเจ้าภาพจริงๆแคพาะในส่วนข้างนอกอ น, นั่นเองก็ตกลงว่าท่านทุ่มเงินไปในการก่อสร้างประเทศตะวันทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเบ็ดเสร็จแล้วในห้าสิบสี่โกรธห้สี่โ ก, กรธกหาปณะ น, นะไม่ใช่หาไอห้าสิบสี่กีบของลาวอะห้สี่โ ก, กรธกหาปณะเยอะเหลือเกิน คือาเราคิดเงินปัจจุบันแล้วก็คงจะเป็นพันๆล้านอ่ะเพราะห้าสิบสี่โกดมันก็ต้งเท่าไหร่แต่โกดเดียวมันก็สิบล้านนะฮะมากมายขนาดเนี้ยแตเราจะเห็นว่าในพูดถึงวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของาศาานสถานมังคนละเรื่องกันเป็นสมบัติส่วนกลางสมัยโบราณจริงๆแล้วพูดถึงวัดในสมัยปัจจุบันไม่นับโบสถระแก้วนะฮะไม่ไมีวัดไหนที่มีค่าเท่ากับพระเชดตะวันครับ เพราะอะไรเพราะว่าท่านอนาถบินติกะเศรษฐีท่านทุ่มเงินลงไปมากเหลือเกินสร้างพระอยู่กันได้เป็นพันๆจำนวนพันๆอาคารหลังเดียวพระอยู่ได้ตั้งหกเจ็ดร้อยอ่ะรูดูเป็นใหญ่ตัวขนาดไหนโรงแรมบางโรงแรมยังเล็กกว่าเลยทำไปกัไในที่สุดจะมีการฉลองกันเป็นการใหญ่ที่อัตรกถาเล่านะฮะตอนนี้ไม่ใช่ประสูตรเล่ามาเล่าฉลองอยู่ตั้ง9้าเดือนฉลองกันเป็นการใหญ่เลย ในที่สุดก็เชิญเสด็จพระพุทธเจ้ามาประทับที่ประเชตวันก็มากันเป็นขบวนแล้วก็มีตั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นจากการเสด็จในคราวนี้ไอ้พวกพระเราพวกศาสามก็เยอะมาล่วงหน้าก่อนมาเตรียม จ, จองห้องไว้เต็มจมหมดจะคล่อมห้องเหมือนพวกขึ้นรถไฟนะฮนะเอากระเป๋า ว, วางไว้ที่นะึงเอาคนไปนั่งไว้ที่มเต็มไปหมดเลยก็แบบแขกนึกรถไฟแขกแกันแล้วกัน พอทำให้เกิดเป็นปัญหาที่มีวินัยเกิดขึ้นในช่วงเนี้หลายข้อเลยกันโดยเฉพาะพวกฉัวปากีเนี่ยคือแกไปจองที่จะคล่อมหมดเลยขนาดภาษาริบุตรกับพระโมกขกันลานะัอักสาวกไปที่หลังไม่มีห้องนอนพวกนี้ไปคล่อมกุฏิไว้หมดเลยจนเกิดเป็นปัญหาที่บัญญัติวินัยทีหลัง เ, เกิดเรื่องเยอะตรงเนี้เรื่องที่พระเราทําอะไรผ่าดผลมากไปบัญญัติวินัยขึ้นแล้วถ้านาตบินที่กะเศรษฐีนี่ พอตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ที่นี่มันก็ดูคล้ายๆกับคู่บารมีอะเพราะมาอยู่กับท่านนาตบินนิกาเศรษฐีตั้ง19ปีนะอยู่ที่ประเจศตวนนันอะเราะรั้นเราจะได้ยินเพระสูตรเนี่ยเอวเมสุตังเอกังสะมยังพระกวาซาวัตยังวิหารติเจตวนันเนาตบินนิกาสอารามีขึ้นอย่างนี้อยู่ด้วย เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่าศาสนาไปเลยพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงนี้4เดือนหรือ3เดือนส่วนมากจะอยู่4เดือนแล้วก็8เดือนก็ที่ยเที่ยวจาริกไปสั่งสอนประชาชนแล้วกลับมันจำภาษาที่นี่พอ ต, ต่อมานางวิสาขาสร้างกึ้นอีกแห่งหนึ่งก็บางบางทีก็เปลี่ยนนะฮะกลางคืนอยู่ที่นี้กลางวันไปอยู่ที่นนเพเชฉลองศรัทธาส ก, กูลทั้งสองแต่ก็เป็นเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุดคือ19ปี อยู่ที่เมืองสาวัตถี25ปีนะฮะอยู่ที่บุพารามส6ปีอยู่ที่นี้19ปีแต่ธนาตะวินนิกาเศรษฐีนั้นท่านเป็นคนที่ทนุท น, นอมพระพุทธเจ้าเลือเกินเชื้อกกำลังถามปัญหาก็ไม่กล้าถามนะฮะทนุท น, นอมกลัวพระพุทธเจ้าจะเหนื่อยพระพุทธเจ้า น, นั้นเป็นกรรษัตริย์สุคุมาลชาติเป็นผู้ละเอียดอ่อนถ้าจะตอบปัญหาของเราพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยจะลําบาก เพราะงั้นพ อ, อนาทบินที่กาศเศรษฐีนั่งเนี่ยเสร็จภารากิจแล้วพระพุทธเจ้าจะต้องเทศโปรดดูตลอดหรือไม่ต้องอาราธนาคนนี้ไม่ต้องพรห ม, มานะฮะตักรอให้พรมมาแล้วไม่ต้องเทศกันเพราะแกไม่กล้าเลยทนุถนอมมากเกินเป็นคนที่ออกจะพิเศษกว่าเพื่อนบรรดาวาสุกทั้งหลายเนี่ยธนุถนอมมากพระุทธเจ้าก็รับสั่งเตือนนะที่จริงอ่ะบอกเรื่องบดีเนี่ยคือไปทนุถนอม เราตถาคตผู้ไม่ควรทนุถนอมเพราะว่าการกระทำงานทั้งหมดของเราเราสร้างบา ร, รมีมาเป็นนันมากเสียสละทุกอย่างนั้นเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อเกื้อกูลเกิโลกนะเป็นการรักษาในเรื่องที่ไม่ควรรักษาแต่ว่าก็จริงท่านก็ไม่กล้าถาม่านั้นเนี่ยท่านานาทบินทิกะเศรษฐีเมื่อพระพุทธเจ้ามาประทับก็จะไปสู่ที่บารุงวันสองคราเชาเย็นนะแล้วก็ตอนเช้านี่ก็จะ นิมนต์ไปทวเวสเวยข้าวยาคูที่บ้านก่อนจะบินทบาตแล้วก็จะมีตั้งไอ้นี้จะพัดไอ้พัดท่านต่างหลายเรื่องคระพัดเพื่อคนป่วยพัดเพื่อผู้ไปพัดเพื่อคนที่อุปถาภิกษุข่ข้พัดประจำอะไรต่างตั้งเป็นคือ บ, บ้านท่านกลายเป็นโรงทานใหญ่ทั้ง ท, งทงไอยาจกวันนี้พกทางพระเลี้ยงพระวันนึงเป็นพัน 2,000 นะเาบอกสองพัน แต่ท่านทั้งหลายจะสงสัยว่าเลี้ยงยังไงสองพันเมื่อก่อนเามาอ่านอ่านแล้วมันก็สงสัยเหมือนกันว่าเลี้ยงยังไงสองพันแต่พอไปอยู่อินเดียเออเลี้ยงได้จริงๆสองมันไม่ได้เลี้ยงเหมือนเราเนี่ยฮะเราเลี้ยงจนพระเอื้อมไม่ถึงเลยวางกันเต็มโต๊ะหมดเลยเอื้อไม่ถึงจันทร์อย่างละคำก็สาหัสแล้วแต่ว่าอินเดียไม่ได้เลี้ยงอย่างนั้นเนี่ยฮะ อินเดียเขาเลี้ยงนี่ทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีคนถือพระเาหนะใหญ่แล้วพระก็นั่งเป็นแถวก็มาบาดวางแล้วก็ตักรกรรมฐานะก็ตักเอาพระท่านดูท่านพอแล้วยังพอ พ, อพอท่านจะปิดบาด ท, ทันทีเพราะมันมีวินัยอยู่อีกข้อหนึ่งนะฮะคือห้ามไม่ให้สันห้ามไม่ให้เทน้ําล้างบาต ท, ที่มีเมล็ดข้าวอยู่ภายในบ้านเพราะวั้นเวลาฉันก็ต้องฉันหมดฉันหมด พระท่านก็ดูพอสมควรท่านก็ปิดบาทเคยไปชาน่ะแขกเลี้ยงมันไม่เอาบาทนะตอนนั้นเราก็ไม่มีบาทอะเอาใบไม้ใบ ไ, ไม้วางเป็นแถวเสร็จแล้วก็นั่งตักพระเยอะอาหารไม่มากหรอกพอเห็นพอพอสมควรแล้วก็เสร็จนี่ก็คือการเลี้ยงในแนวนั้นไม่ได้สิ้นเรื่องอะไรเท่าไหร่คือว่าสิ่งที่ถวายพระไปก็คืออย่างอัตภาพของท่านให้เป็นไปไม่จนถึงก็เหลือ แต่ก็ไม่ถึงกระเพาะหิวนะครับท่านทําหน้าที่หลายอย่างนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคือหมายความว่าสร้างวัดแล้วก็ยังอุปการะสนับสนุนบํารุงเป็นเจ้ากิจการดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างรับผิดชอบทุกอย่างและงานที่เกิดขึ้นแก่พระศาสนาเช่นเคยเล่าเรื่องพระกุมารากัตสปะให้ฟังในมื่อก่นเรื่องพระเจ้าประ ญ, ญาสิ เวลาเกิดคดีเรื่องภิกษุณีมีคันขึ้นมาคือมีคัน ต, ติดมาตั้งแต่ก่อนบวชที่ล่าก้ฟังทนาธบินธิกะเศรษฐีก็เป็นกรรมาการคนหนึ่งในการพิจารณาเรื่องนี้เรื่องในกรณีที่พระทะเลาะกันที่โกสมพีจนชาวบ้านไอ้ตะไตราชาวบ้านประท้วงพระไม่ยอมตักบาตรให้กินเน่เกือบตายแล้วก็ทนาธบินทิกาเศรษฐีก็มีส่วนในการแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะฉั้นท่านท่านท่านจึงกลายเป็นคนที่เรียกว่าอุบาสกแล้วก็ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าที่สุดเลยทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านจะมีส่วนอยู่ต่อมาท่านเกิดทรัพย์สูญหายไปในเรื่องของท่านแยะ่นะฮะแย่ก็จะล่ามาบางตอนเพราะว่าท่านท่านเกี่ยวข้องบุพพันธุกับประวัติพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยอทรัพย์สมบัติสูญหายไปเป็นจํานวนมาก จนถึงกา็ยากจนนะฮะขาดหลังก็ยากจนายากจนเนีศรัทธามันไม่ได้ถอยพอเป็นพระโสดาบันไม่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเรื่องเรื่องศรัทธาไม่ได้มือไม่ไม่ต้องกลับไปนอนมือกายหน้าผากไว้ถ้าไม่ทาบุญอะไรนั้นก็ดีอะไรเนี่ยท่านก็ยังทําไปเรื่อยแต่ทําตามสติกำมังพระเจ้าเสด็จไปรับสั่งถามว่าเป็นไงที่บ้านยังให้ทานอยู่หรือท่านบอกว่ายังให้อยู่เหมือนเดิม แต่ว่าไม่สามารถที่จะให้ของที่ประณีตได้บางทีก็ปลายข้าวบางทีก็ผักต้มพระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอกวัตถุจะประณีตหรือไม่ประณีตนั้นก็ขอให้ใจประณีตเป็นใช้ได้แล้วท่านก็ทํามาต่อมาก็ทรัพย์สมบัติก็คืนกลับมาท่านก็กลายเป็นเศรษฐีตามเดิมแล้วก็ร่ํารวยทํางานต่อไปแต่ว่าท่านก็ตายก่อนพระพุทธเจ้านิพาน ก่อนจะตายเนี่ยฮะก่อนจะตายคือคื อ, คอตอนท่านฟังเทศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะไม่เคยเทศถึงใจลักเลยนะจะเทศธรรมดาธรรมดาธรรมะบ้านๆแบบผู้ครองเรือนพอมาถึงก่อนจะตาย เ, าเดี๋ยวเดี๋ยวฮะคือคือคื อ, คอจะเล่าอย่ายรีบตายเนีย่ยพระเอกตายดอก็มันมีอยู่อย่างหนึ่งว่า ท่านเป็นผู้นําครอบครัวที่เยี่ยมมากเลยเป็นผู้นําครอบครัวที่เยี่ยมมากเลยลูกสาวทุกคนเป็นพระรยบุคคลหมดมีจุลสุภธาเนี่ได้สกิตาคาสูงกว่าพ่อตอนนา ง, นางจุลสุภัธาตายนี่ก็ตายอย่างสาวๆนะแล้วก่อนจะตายเนี่ยเรียกเรียกพ่อว่าน้องชาย เศรษฐีเสียใจลูกสาวไม่น่าหลงตายแหละคนดีๆแล้วก็ไปข้าพระพุทธเจ้าบวชสุจุลสุภธาดีอย่างนั้นๆ ๆ, ๆแต่ว่ามาหลงตายได้ก่อนจะตายก็เรียกข้าพระองค์ว่าน้องชายพระพเจ้าบอกเขาไม่หลงตายหลอกเขาเรียกตามมร์ตามผลเขามร์ ก, ก็สูงผลก็สูงกว่าก็าก็เรียกตามมร์แล้วก็มหาสุภทานี่เก่งมากเลย อันนี้ไปแต่งงานกับสกุลมิจฉาทิฏฐิตอนนี้ฮะคือคือคือเป็นการรู้สึกว่าออมีบทบาทในการเผยแผ่าศาสนาไปถึงก็ในตระกูลของสามีก็เลี้ยงดูไอ้นักบวดอย่างงั้นแนหะแล้วก็เรียกให้แกไปไปด้วยแกบอบกแกบบแกรับประทานไม่ลงอนะ่ะเหมือนคลิกฤตว่ารับประทานไม่ลงเนอะ่ะก็ ในสุดก็พูดแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จไปถึงเมือง น, นั้นนะฮะก็อธิบายคุณลักษณะของสมณะในพระคุธศาสนามาเทียบเคียงกันมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยคือเกิดท้าทายกันว่าเธอสามารถติดต่อพระพุทธเจ้าเธอได้ไหมให้ใ ห, ให้ให้มาที่เนี่ย เขต้องการจะเห็นก็ต้อกลงว่าเอานางจุลปุสุวภธ า, าก็ถือดอกพวงมาลัยก็หันมาทางพระเจตวันก็าธิฐานให้พระพุทธเจ้ารับทราบแล้วก็เสด็จมาด้วยพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็มาพร้อมด้วยพระสงฆ์รุ่งขึ้นาก็เตรียมาหารถวายรุ่งขึ้นาก็มาพร้อมด้วยพระสงฆ์เป็นมาด้วยพุทธานุภาพมาใหญ่มากเลยก็ ช่วยในการเผยแผ่ศาสนาก็เปลี่ยนะกูลทั้งสกูลให้เป็นสมาธิทิได้แล้วมีลูกชายอีกคนหนึ่งคนนี้มีปัญหามากชื่อกาละกาละที่จริงก็ไม่มีอะไรนะฮะเบรย์บันดาะก็ยอมคื อ, ค, อ, ค, อคือแกไม่ยอมเกี่ยวข้องอะไม่ยอมเกี่ยวข้องกับกับพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาแกก็หลบ ตอนนั้นจัดการปัญหาภายในครอบครัวหมดแล้วแม้แต่ลูกสะพ้ายคนหนึ่งชื่อสุชาดาคือครอบครัวของแขกนี่สะพ้ายนี่ใหญ่จังนะสะภ้ายนี่ใหญ่จังเลยเป็นแม่บ้านเพราะงั้นพอนางสุชาดามาเป็นลูกสะพ้ายอำนาจทั้งหมดก็อยู่แก่นางเกี่ยวกราดดุด่าคนใช้เอะโวยวายพระเจา้าเสด็จไปได้ยินข้าวก็รับสั่งถามท่าน อ น, นาถบินติกาเศรษฐีว่าเสียงของใครก็บอกว่าเสียงลูกสะพยายือสุชาดาพระเจ้ารับสั่งให้ให้หาก็เมื่อนางเข้ามาเฝ้าแล้วรับสั่งถามมสุชาดาพัญญาในโลกนี้มันมีอยู่เจ็ดจำพวกเธอเป็นจำพวกไหนรับสั่งถามก็ก็ถึง พัญญาที่เสมอด้วยโจรพัญญาที่เสมอโดยเพชฌฆาตพัญญาที่เสมอด้วยนายพัญญาที่เสมอด้วยเพื่อนเจ็ดประเภทนะครับก็นางสุชาดาก็เกิดสลดขึ้นนะพรากกมลงกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อก่อนคือคือคือต่อมาพระเจ้าอธิบายให้ฟังนะฮะพัญญาเสมอโดยโจรยังไงนะก็ก็อธิบายง่ายนะพัญญาเสมอโดยโจร ห, หมายความว่า สามีหาเงินมาได้เท่าไรก็เรียบร้อยปัญญาเสมอโดยเพชฌฆาตก็ลุกรานคุกคามข่มขู่สามีด้วยประการต่างๆ่งก็พัญญาที่เสมอด้วยนายอันนี้ก็ชี่นิ้วบัญชาการนะฮะท่านผู้บัญชาการเป็นท่านผู้บัญชาการากสามประเภทแรกนี่ก็เป็นพัญญาที่ไ่ดีสามีก็เหมือนกันนะฮะพี่กลับ กราบอีกด้านนึงนางสุชาดาเมื่อก่อนแกเป็นพัญญาประเภทนายนะพอฟังธรรมเทศนาระพุทเจ้าอธิบายเรียบร้อยแล้วกกหล่นบูบลงไปอยู่นฐานสีพัญญานะไปอยู่อันดับที่เจ็ดคือขอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเป็นทาสีพัญญามันผิดพลาดมามากในการนำรงชีวิตคือเนี่ยทัทง้ทงทั้งลูกสาวลูกสะพ้ายมาถึงลูกชายลูกชายนี่ต้องใช้แผนใหม่แกไม่ตกจ้าง จ้างให้ไปฟังเทศให้ไปวัดก่อนจ้างไปวัดจ้างไปวัดให้วันล500ะห้าร้อยกหาปณะ น, นะฮะลงทุนเยอะเลยแล้วก็ต่อมาก็จ้างให้รักศีลห้ารอยกหาปณะาราคาเดิมต่อมาก็จ้างฟังเทศยังคงห้าร้อยกหาปณะอยู่พอคุ้นกันดีเห็นว่าได้ที่แล้วเอาไปฟังธรรมะจำหัวข้อธรรมะมาให้พ่อฟังข้อหนึ่งแล้วจะให้พันเลยทีเนี้ ในกาละก็ไปพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณนะฮะพอเริ่มเทศก็บรรดาลไม่ให้จําได้จําไม่ได้จับไม่ได้ทั้ข้อหนึ่งเลยพอจับไม่ได้มันก็ต้องคำเหม็งลงเลยฮนะต้องคำเหม่งต้องสรุปรวมไอพลังสติสัมมชัญะลงไปเต็มที่เลยใจยมันก็สงบส่งตามกระแสธรรมะนี่เป็นเป็นวิธีดึงข้าวพอสงบธรรมะมันก็เริ่มสงบไอบารามีมันก็ขึ้นความรุ่งมาขึ้นบรรลุโสดาเลยทีเดียดได้โสดาเลย เพราะงั้นวิธีฟังเทศที่พระพเจ้าทรงแสดงที่ที่ที่เคยเล่ า, านะ้ฟังน่ะเข้าไปหาเข้าไปนั่งกล้ายฟังท า, ามเงี่ยหูลงฟังกําหนดข้อความพิจารณาข้อความซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราเดินได้ถึงหขั้นเนี่ยมันจะเข้าใจอะไรได้เยอะครับแต่เอาก็จริงๆก็อย่างเงี้ยครับบางทีก็ฟังไปอย่างใจไปอย่างนะนะตาไปอย่างก็ไม่ได้แต่ไหนไอถึงกําหนดข้อความพิจารณาข้อความเนี่ย มันเดินไม่ค่อยถึงครับเดินไม่ค่อยถึงบางทีก็ฟังควางเทศในโบสถ์พอออกจากโบสถ์แม้วันนี้พระทันเทศดีจังไงเพ่ก็ถามันเทศอะไรไม่รู้สิลืมนะ <c oughs> นขนาดมาบอกเขาว่าดีนะฮะแต่มันลืมไปแล้วเพราะอะไรมันไม่ถึงกับเพ่งพินิษ์พิจารณาตามไปเลยฮนะตาม ก, ก, ก, ก็ลักษณะของสติสัมปชัญญะที่ว่าในบะ่มันคือแนบไปตามไอ้ธรรมะเลย ต่อไปเนี่ยมันจะตัดอย่างอื่นหมดมีเสียงธรรมะนั้นเองมีเสียงธรรมะเท่านั้นอย่างอื่นมันก็หมดเราก็อยู่กับเสียงธรรมะปัญญากับสติมันก็มีพลังสูงขึ้นมันก็เข้าไปประกบอยู่ที่ธรรมะเราลึกรู้พิจารณาลึกรู้พิจารณาก็ตามไปพระเจ้าก็ยักย้ายพระธรรมเทศนาฟอกอัจฉรย์สายก็บรรลุโสดาแล้วก็มีคนหนึ่งคือสร้างปเป็นธรรมเนียมนะฮะบั้นท่านผลสุดท้ายในยท่านเอาทั้งครอบครัวหรือทุกคนเนี่ย อย่างน้อยวันอุโบสถต้องรักษาศีลอุโบสถหมดทั้งบ้านไนะแล้วก็มีคนใช้คนหนึ่งถึงมาใหม่ไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่รู้กติกาเขาตื่นเช้าขึ้นมาถึงก็ไปทำงานกินข้าวเสร็จก็ไปทางานแล้วกลับมาค่าเป็นวันอุโบสถแกไม่รู้เรื่องก็จัดอาหารไว้ให้แกที่เดียวคนหนึ่งเขาไม่กิน แล้ว ก, ก็ถามาคนอื่นไม่กินเลยเขาก็ล่าฟังแกก็เกิดความคิดว่าแกเมื่อมาอยู่ในตระกูลคนทั้งตระกูลเนี่ยเขาไม่กินข้าวกันะก็ถือโบสดศินเพราะงั้นแกถือด้วยแกเอาด้วยแล้วคนอื่นก็บอกไม่ได้เราคุณยังไม่ได้กินข้าวมาเนี่ยจะรักษาโบสดไม่ได้แต่มันมันไปอธิษฐานเราตอนเย็นนะฮะอธิษฐานตอนเย็นคือหลังเที่ยงไปแล้วก็ท่านนาตะบินทิกาเศรษฐีก็มา ก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องเอาหรอกคือมันผ่านสักวันเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวทีนี้ท่านบอกไม่เอาอ่ะคือท่านจะรักษาด้วยจะได้อันนี้สูงหรือเปล่าถ้านบอกก็ได้กึงเพราะว่าไ ม, ไม่จะได้เริ่มมาไม่ได้ที่ฐานตอนเชา้าที่ฐานตอนเย็นกึงก็กึ่งนะท่านบอกว่ากึกงก็กึงนะ่งเอามคนะ่น่ะรักษาไปพอตกดึกเขามันไม่ไหวมันมีอะไรเลยในท้องะ้องสู้ไม่ได้ ทุกทรมานเสียดแทงอย่างแรงก็จะให้กินในพวกแม้ไอ้พวกไอ้ของที่กินได้นะฮะแต่ท่านก็ถามว่าแล้วท่านเศรษฐีกินหรือเปล่า <c oughs> ไม่ยอมกินนะไม่ยอมกินเป็นคนเอาจริงมากเลยผลก็ท้ายตายตายคืนนั้นแล้วก็กลายเป็นลุกเทวดาลุกเทวดาคนเนี้ที่นำพวกฤษีชุดหนึ่งมาหาพ ร, ระคุตจ่าทีมันเรื่องมันเยอะเลยนาะตาวินิกาเศรษฐีนี่เรื่องเยอะเลยถ้าเขียนนะได้เล่มเบลล์ม อนนี้เราเราจะเห็นว่าในฐานะของคนที่สร้างบารมีมาตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นภาพพระพุทธเจ้าที่ศีระวันเนี่ยเวลาอ่านอ่านหามาคนลุกทุกทีเลยอ่านไปใจวปดึตรงนี้เราก็ชอบอ่านด้วยคือคือมันมั น, ม, น, ม, นมันรู้สึกเราจะเห็นอะไรได้เยอะแยะเนะเห็นอะไรได้มากมาย ก, ก่าลกองในในจุดตรงนั้นนะฮะเราเห็นเรื่องของบารมีเราเห็นเรื่องของพระพุทธญาณ ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ น, น, นานบินธิกาเศรษฐีเองมาก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยรู้จักอ น, น, นานทะบินธิกาเศรษฐีแต่ก็สเสด็จมารอคอยอยู่ได้แล้วก็เรียกชื่อเดิมเขาซึ่งในกรุงราชครึกไม่ต้องกรุงราชครชึกกรุงสาวัตถีเองยังไม่มีคนรู้จักเรียกชื่อเดิมเขาอย่างเงี้ยนันก็เป็นเรื่องที่ซึ้งมากอ่าแล้วขนลุกปีติเอ่อแต่ว่าในที่สุดนะฮะก็หลังพุทธ กอนปลายพุทธสมัยท่านก็ตายตายแล้วก็เกิดเป็นเทพระบุตรแต่ก่อนที่จะตายนฮะก่อนที่จะตายเนี่ยท่านประสาริบุตรท่านไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วก็พอเห็นว่าท่านสเสวยเวทนามากก็แสดงธรรมะเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยผูยลักเนี่ยให้ฟังเพื่อจะท่านให้พิจารณาใช้เวทนาให้เป็นอารมณ์ในการเจริญกรรมฐ า, าน ท่านฟังแล้วท่านบอกโอ้โหน่ธรรมะในพระพุทธศาสนาลึกซึ้งขนาดนี้หระเนี่ยพระสารีบุตรบอกว่าอย่างเงี้ยคือคือ ท, ที่จริงก็ยังไม่ซึ้งมากนะฮะแต่แสดงให้เหมาะแก่ท่านในขณะนั้นนะในขณะที่ป่วยหนันแกแล้วเกิดปีติปราโมท ย, ย์ใหญ่เลยก็ตายไปก็ไปบังเกิดเป็นเป็นเทพบุตรพอเกิดเสร็จอาใจที่ผูกพันอยูกับพุทธเจ้านี่ฮะอุบัติปั๊บก็ปอด บางเกิดแป๊บก็นึกถึงพระพุทธเจ้ากับภาษาราิบุตรทันทีเลยก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนกลางคืนเฝ้าแล้วก็กล่าวสรรเสริญยกย่องว่าในพระเทศตะวันของท่านเนี่ยมันมีแต่พระดีๆงั้นไงมีแต่พระดีๆมีแต่พระระยะบุคคลมีภาษาดิบุตรเป็นหัวหน้ายกย่องสรรเสริญวระเจา้แล้วก็ตอนนั้นพระอานนทไม่ได้อยู่ใกล้พุทธสํานักแต่ก็เห็นรัศมีกระุ่งกันเช้าท่านก็มาเฝ้าถาม ว่เมื่อคือนนี่อนาตบินติกาเสถีพระบูรมาเฝ้าพระเจ้าก็รับสั่งเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่จริงก็สรุปนะฮะเรื่องเรื่องของท่านแยะก็ทาให้เราเห็นอะไรอกอย่างหนึ่งฮะท่านจะเห็นว่าทั้งสามท่านที่เล่ามาแล้วนะฮะเริ่มสร้างบารมีสมัยเดียวกันแสนกลับเท่ากันแต่ทำไมสองท่านที่แล้วบรรลุอรหัต ท่านนี้ได้โซดาแล้วนั่นเองมันเรื่องของไอเจตจํานงในการที่จะเป็นแตกต่างกันสององค์นั้นเจตจํานงที่จะเป็นรัตัญูบุคคลยอแห่งภิกษุรัตัญญูบุคคลย่อแห่งภิกษุณีรัตัญญูบุคคลซึ่งก็ต้องเป็นพระอระหันต์เพราะในจุดมุ่งของท่านเนี่ยจึงต่างกันเมื่อจุดมุ่งต่างกันในความพยายามก็ต่างกันคล้ายๆกันนักเรียนเนี่ยขอไอเอรวดอย่างนี้ฮะ เท่าไหรก็ได้กับพวกเอรวดกเกรดอะไรก็ได้ผ่านๆแล้วกันแหละไอ้ความอุตสาหะพยายามอิทธิบาทเหมือนกันอิทธิบาทเหมือนกันฉันท้าวิรยิยะจิตตะวิมังสาเหมือนกันแต่ปริมาณไม่เท่ากันฉันท้าก็จริงฮะต่างคนต่างเรียกฉันท้าต่างคนต่างเรียกวิริยะเรียกเรียกกิตตะเรียกวิมังสาเหมือนกันแต่คุณภาพของธรรมะไม่เท่ากันเพราะนั้นความพยายามทั้งสามท่านซึ่งเป็นระดับสาวกผูยย้ใหญ่ แต่ว่ามีไอเจ็ดจำนนงที่จะเป็นไม่เหมือนกันความพยายามเพื่อจะเป็นจึงเหลื่อมล้ำกันอยู่แล้วทำให้ญาณคือความรู้หรือบารมีธรรมที่จะนำให้ท่านบังเกิดจึงไม่เหมือนกันพอจากการบวชแล้วมาคือคือคือพอพระพุทธเจ้าอุบัติต่างคนต่างก็รับผลในส่วนของท่านถ้าที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็เพียรพยายามเพื่อเป้า เป้าหมายเหล่านี้นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตไว้นะฮะคนละแสนแสนกลับเท่ากันหมดเลยทั้งสทั้งสท่านที่ว่ามาแล้วแต่เนื่องจากเจ็ดจานงไม่เหมือนกันทําให้เกิดผลแตกต่างกันเพราะงั้นการทํางานของเราส่วนมากแล้วจะต้องมีเป้าหมายนะเป้าหมายสูงไว้พอสมควรเพื่อให้เกิดไอความกระตือรือรน้นฉันทะอุตสาหะวิริยะอะไรต่อไรเนี่ยมันจะมีกําลังสูงขึ้น ไม่ใช่ยังไงก็ได้ไเป็นไรยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านนายกฮะแต่ว่าพอดีก็ไม่เอาแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยสํานวนจำนวนอย่าง น, น, น, น, างนี้มันก็เพลินเพลินไปไหลาตามน้ําไปแต่ว่าในในแง่ของการสร้างบา ร, รมีมานั่งแล้วแต่ยังไม่ได้หรอกมันต้องเอาจริงเลยต้องทําจริงๆจังๆเพืจจ่จะให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เพราะว่า คนทั้งหลายในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าพอตั้งไอเจ็ดจำนองว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วจะได้แต่มันก็บนเส้นทางนั้นมันต้องฝ่าวานอุปสรรคเป็นอันมากต้องสร้างสมบัตมีมันเป็นอันมากแล้วต้องลงทุนลงแรงอีกมากเลยกันความเพียรพยายามที่แตกต่างกันทําให้ท่านได้บรรลุผลทุดท้ายไม่เหมือนกันสองท่านนนเป็นพระอรหันต์นี่ก็เป็นแค่พระโสดานะฮะ พระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ท่านไว้ในตําแหน่งยอดแห่งอุบาสกผู้ผู้เป็นถา ย, ยกเนี่ยคือคือผู้ให้ทานนะฮะคือเลิอดในการให้ทานจุดประการต่อไปก็คือเรื่องของบารมีที่กระตุ้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะฮะตอนอามาเรียบเรียบเรียงพระวินัยบิดกอันนี้มันอยู่ในพระวินัยบิดกเล่มสี่ตอนเนี้ย เ ร, เรียงพระวินัยมดุมันซึ้งมากซึ้งมากตรงนี้เลยเขียนบรรยายเป็นนวนิยายไปทั้งสี่ห้านหน้าเลยพูดเรื่องวินัยแท้ๆเนี่ยแต่มันเกิดซึ้งในประวัติของท่านอนาถวินธิกาขึ้นมาเลยเขียนออกมาตรงนั้นเลยออกเป็นนวนิยายไปไเลยเราจะเห็นถึงเ อ, อบารมีหรือความดีของคนเราที่สร้างเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า กัญญาโนกิติสัตตอภุกัจจิเอเกติควรนดีงามฟุง้งขยจอนไปเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายทานานาตบินทิกาเศรษฐีสมัยนั้นไม่มีมมมวิทยุโทรทัศน์อะไรนะท่านจะเห็นว่าสาวถีก็รัชคลึกก็ไม่จะใกล้อะไรกันแต่ว่าท่านครองใจคนได้ตลอดเส้นทางเลยครองใจคนได้ตลอดเส้นทางมีมิตรมีคนเคารพนับถือตลอดเส้นทาง นี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าพื้นอัทยาศัยของท่านน่ะคือมากไปด้วยความเสียสละมีความเมตตามีความเอ็นดูสงสารคนสัตว์ตั้งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่า ด, ดังมิตรานิคันตจิผู้ให้มันผูกมิตรีไปได้ก็สร้างมิตรมิตรีเอาไว้ก็อยู่ในวิสัยที่จะสงเคราะห์ ยังช่วยเหลือท่านก็เป็นเศรษฐีใหญ่นะฮะท่านก็สงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นมันก็สร้างมิตรไมตรีไปได้ก็ได้พวกได้พ้องมากม า, กม า, กายกันกองและที่น่าสังเกตก็คือว่าแนวแบบท่านอานาเ ท, า ท, าทบินติกะเศรษฐีเนี่ยมีทั้งหลายท่านนะฮะพอได้ยินว่าพุทโธโลเกอปุปโนนะฮะแปล ว, ว่าพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกมันปีติมันท่วมมันมดหมดเลยฟังไม่รู้เรื่องไง คือเราจะเห็นว่าสายของโพชฌงมมันมีปีติแล้วปัิสัติปัสสติปีติตินี้ท่าใดไม่ได้ห้องฟังมารู้เรื่องหมดเลยต้องมาปัสสธิจึงเกิดสมาธิได้ตอนนั้นชั้นนี้แสดงให้เห็นถึงว่าแรงบา ร, รมีธรรมที่ท่านสะสมมาบรมมานพอได้ยินว่าพุท ธ, ธะเท่านั้นเองมันปีติมันท่วมอย่งฟังให้รู้เรื่องฟังไมา่เรื่องต้องให้ก็ยืนยันสองครั้งสามครั้งนะฮะ นี่ก็คือเป็นเรื่องของบา ร, รมีที่กระตุน้นกระตุ้นเตือนคนสามัญธรรมดาทั่วไปนี่หาจ้ากปัจจุบันในยิ่งพูดชื่อพระพุทธเจ้าเขาบอกโอ้ยล้าสมัยมต้องพูดเรื่องมาร์กเลยนินเหมาเจือตุงอะไรตัวใดไปหายไปไหคือมันก็อยู่ที่บา ร, รมีของคนอยู่ที่บา ร, รมีของคนว่าคนเรามันสร้างมาในเรื่องอะไร สมท า, นนาทานนาตบินติกาเศรษฐีโดยชื่อพระพุทธเจ้านั้นมีความหมายอะไรกันเพราะอะไรเพราะเป็นการกระตุ้นของบารมีอยู่ตลอดครยหาสแสวงหาเป็นยุคสมัยที่คนแสวงหาพระพุทธเจ้ากันเป็นยุคเป็นสมัยเขาด้วยแล้วก็ท่านก็มีบารมีด้วยอีกประการหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าการบำรุงพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างตอนปลายจะจะนิพพานนะฮะ แซงคิวก <S an> ัน <cue> เลยนะมาแย่งตัดหน้ากันแล้วไปซื้อซื้อซื้ อ, อ, อสิทธิ์กันด้วยนะตอนจวนจะมีผ่านพวกกษัตริย์ทิจวีกับนางอัม ป, ปาลีกณิกาเนี่ยแย่งกันเลยนางอม ป, ปาลีกณิกาตัดหน้าคโครมเดียวได้เพราะได้พวกนั้นก็มาถึงนะแต่พระทเจ้ารับนี่เลยก่อนพวกนี้ยกพวกไปบ้านนางอมปาลีขอซื้อขอซื้อสิทธิ์สิทธิที่จะเลี้ยงพระพุทธเจ้าที่จะถวายอาหารพระพุทธเจ้าตอนเสด็จที่อมปาลีวัน งั้นในคราวนั้นมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะถือว่าเป็นเป็นที่ตั้งแห่งบุญท่านราชกะเศรษฐีเองเพราะท่านได้สิทธิท่านก็ยอมขายสิทธิเหมือนกันอย่างพระเจ้าพิมิสารท่านไม่ได้แต่นาถบินิกะเศรษฐีกลับได้ก็ขอร่วมเออใจเห็นว่ามันก็เต็มไมปด้วยบุญหมดมันมันเป็นทานอมัยศีละไมภาวนาไมั่ปฏิทานอมัยเบญาวจไม่แล้วมันมันมันเต็มไมปด้วยบุญหมดเลยคือ ไม่ได้ทานก็ขอสีไม่ได้สีขอภาวนาไม่ได้พาขอช่วยหน่อยก็อะไรกันคือคื อ, ค, อคือไม่ได้อะไรขอช่วยหน่อยเป็นวยาว จ, จัใหม่นี่คือเป็นวิสัยของท่านที่มีบา ร, รมีนะพูดง่ายมันก็ไม่รู้จะว่ายัางไง <c oughs> คือท่านมีบา ร, รมีของท่านอ่ะท่านมองเห็นของท่านว่าไม่มีอะไรขอมีส่วนด้วยขอมีส่วนวรรยาว จ, จไหม่ไม่มีส่วนให้ทานขอให้ยืมตังก็เอาให้ยืมตังก่อน <c oughs> เพื่อจะได้มีส่วนเป็นเวียาวชามัยคือช่วยเหลือขวนขวายกันในกิจการการที่เจ้ามันเป็นบุญอีกแน่หนึ่งนี่ก็แนวโน้มของสังคมมันเป็นอย่างเนี้ทำให้การเกิดขึ้นของศาสดาทั้งหลายได้รับความสนใจฐานะของศาสดาทั้งหลายได้ยอมรับนับถือของบุคคลในสังคมและชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจึง เป็นที่ต้องการของบุคคลในสังคมยังปุกุสาติคุณบุตรเนยมาจากตะกศิลานะเดินมาเฝาพระพุทธเจ้าจนเท้าแตกคลานมาเข่าแตกเขาเลือดโชกหรือคลานนะจนถึง เ, เอาขนาดนั้นนะมัน ก, ก็ถ้าเรามองในภาพปัจจุบันเอ๊ะไม่น่าเป็นไปได้มันเรื่องเป็นไปได้สมับเขาเป็นปเป็นไปไม่ได้สมับเราเหมือนพระสัาเอกเหมือนพระเวสสันดรให้ทานเนี่ยคนสมัยนี้คิดไม่ถึง ทำไมทําอย่างงั้นทําไมทําได้มันความคิดคนระดับเนี่พระเบอร์สันดอนถ้าเป็นพระโพธิสัตว์เรามไม่ใช่ไปเป็นพระโพธิสัตว์ควาคิดคนระดับทีนี้ประการต่อไปก็คือเรื่องการสร้างพระเชตวันนะท่านจะเห็นว่าพูดถึงเราไม่นับอโศการามนะอาโศกกรามนะั้นท่านพระเจ้าอาโศกท่านสร้างสร้างแยะถ้าเกิดว่า เอกเสาแต่ละสาที่ท่านเ ค, เคยไปอินเดียจะเห็นมันใหญ่โตมโหฬาร น, นะถ้าไม่นับอโศการามแล้ววัดสมัยแต่อโศการามก็เกิดทีหลังนะพูดถึงสมัยพุทธ ก, กาลแล้วไม่มีวัดอะไรที่จะสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่โตมโหฬารเท่าของท่านอนาตบินทิกาเศรษฐีเป็นการทุ่มตัวลงไปจริงๆแล้วก็พวกเหล่านี้เป็นพวกที่เชื่อบุญนะฮะเชื่อบุญว่าการกระทาบุญนี้มีผลแล้วก็ก็ก็ก ไม่ใช่ว่าผลที่จะต้องรอนานอะไรแต่นาตะบินในกาเศรษฐีอย่างที่ล่าเนี่ยท่านตกต่ำลงไปจนยากจนนะแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับมาได้กลับมาเป็นเศรษฐีได้ทรัพย์สมบัติที่หายไปจากแหล่งต่างๆมันคืนมาได้หมดเลยแล้วกลับเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้นี่ก็คือเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการให้การสละของท่านอย่างที่เคยเล่าถึงคนที่คนปัจจุบันเนี่ยคนคนปัจจุบันนี่มีเยอะที่พบกันมาเนี่ยบางคนก็ไม่เคยกลัวเรื่องเหล่านี้ แต่ไม่จะทำด้วยความหลงนะฮะไม่จะทำด้วยความหลงคือทําด้วยเหตุด้วยผลทำบุญอย่าทำด้วยหลงถ้าหลงก็อย่าทำฮะเสียดายตางเปล่ากินขนมดีกว่าต้องมีปัญญามีเหตุผลหลักพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงในชั้นของฐานวิเจยยดาหนังสุกตะประเสริฐการพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงให้เป็นการกระทําที่พระทับฐานสนเสริญ การกระทำกัท่านนาถบินจิกาเศรษฐีท่านก็อยู่ในแนวนี้ไม่ใช่ว่าสงเคราะห์กันเรื่อยไปอีกอย่างหนึ่งในฐานะของพ่อเนี่ยพัญญาชื่ออะไรไม่เคยได้ยินชื่อเลยไม่เคยได้ยินชื่อในกำปีเลยมีแต่ลูกสาวกับลูกชายพัญญาไม่ทราบชื่ออะไรปิดกระชุดของนางวิสาขานางวิสาขาในรู้มาตั้งแต่ตายายเลยชุดนี้รู้เฉพาะพ่ อ, พอแล้วก็ตัวท่านแนละก็ลูกสาวลูกชาย ลูสาวจริงหลายคนนะฮะแต่เด่นๆอยู่สองคนลูกชายก็เข้าใจว่าหลายคนเหมือนกันแต่ก็คนนี้ที่มีปัญหาอยู่ออ ท, ท่านท่านทํำหน้าที่ของท่านเราจะเห็นว่าพระโสดาเนี่ยก็คือชาวบ้านนะชาวบ้านธรรมดาพระโสดาบ้า น, นชาวบ้านธรรมดามีครอบมีครัวมีลูกมีเต้าไม่มีปัญหาอะไระแต่เป็นคนที่เขาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันนบุคคล คือมีทิฏฐิสมบูรณ์ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ใครจะเอาเงินเอาทองมาจ้างให้ท่านบิดเบือนในธรรมะนี่ไม่เอาปฏิเสธพระรัตนตรัยไม่เอ า, เพ ร, ร า, เ, อาเพราะท่านถอนตะปูหลักตะปูใหญ่5้าตัวที่ตรึงใจออกได้คือความสงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในตรัยติขาแล้วก็ไม่มีความโกรธพวกนี้ฮะที่เป็นตะปูตรึงใจของคนเอาไว้ ได้โสตาปฏิยังฆ่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรองค์ที่ทำให้คนเป็นโสตดาบันก็คือมีความศรัท ธ, ธาเชื่อมั่นไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจจิตกะคือสีอย่างท่านเหล่านี้จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่รูปชีวิตจริงๆคือชีวิตชาวบ้านชาวบ้านธรรมดาๆ ม, มีปัญหาอะไรก็อย่างนี้โยมทั้งหลายเนี่ยส่วนใจ่นั้นเองที่ต่างกันจนอย่างอื่นก็คือคนคนทั่วๆไปนี่เอง ในฐานะของพ่อทั้งก็ทำหน้าที่คือเราจะเห็นว่าใครก็ตามที่สามารถดึงเอาเอาวงศาขนาญาตเข้าเป็นสมาธิที่ได้หมดก็ไม่ใช่ฝีมือธรรมดานะฮะไม่ใช่ฝีมือธรรมดาบางทีสามีกับพัญญาเนี่ยพัญญาจะมาวัดแต่ผัวชวนทะเลาะอันนี้ก็คือคือคือสองคนยังแก้กันไม่ได้เลย แต่นี่ดึงมาหมดเลยวงวานว่านเครือสะพ้ายลูกเขยดูสะพ้ายท่านดึงมาได้หมดเลยแม้แต่คนคนช้ภายในบ้านลูกจ้างภายในบ้านแต่แต่แต่ถ้าเรามองอีกทีหนึ่งไงคนใช้ที่ไปเกิดเป็นลูกเทพเนี่ยฮะต้งคนมีบา ร, รมีอีกละ่ะมันเรื่องอะไรละ่ะคือคือคื อ, คอพอ พ, อ, พอเห็นว่าเมื่อมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนี้บุคคลก็เป็นอย่างนี้เราต้องเป็นให้ได้แล้วท่านก็เป็นอย่างเสียสละจริงๆรง ภกษาสีในอูสดกึ่งหนึ่งก็เอานี่ก็เพราะอะไรเพราะว่าเป็นยุคสมัยของคนที่เขาสร้างบา ร, รมีมาอย่างได้มาเคยล่าเนี่ยฮะแต่เราดูในรูปบารีจำนวนบารีที่ท่านใช้คำว่าหรือขนสัตว์จากสงสารสาครแล้วถ้าเราไปดูไอ้ภูมิหลังของภาษาวกทั้งหมดนะฮะที่ท่านบอกไว้ที่ท่านเล่าภูมิหลังไว้พวกนี้สร้างบา ร, รมีสมัยนั้นส่วนมากงานเดียวกันส่วนมาก แล้วก็มาถึงจุดหนึ่งแสสงขายก็ขนกันทีหนึ่งแล้วพวกนั้นก็ทยอยกันมามันก็มีพระเจ้ามารื้อขนอีกเรื่อยไปเฮ้อขนกันไปเรื่อยไปก็แสดงว่าเหมือนกับของที่มันใกล้ายๆกับมันมันมันมันจัดไว้เสร็จแล้วมันก็มีคนมาขนออกไปแล้วก็ของจัอื่นก็ของอื่นก็จัดเข้ามาแล้วก็ขนออกไปอีกมีลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแต่เราดูให้มองให้ตลอดแล้วนี่ มันเป็นยุคเป็นสมัยของท่านจริงๆเลยแม้แต่คนระดับเนี่ยระดับกรรมกรถึงสัสย์เซพเนจอดมายังมีแนวความคิดเห็นที่ลึกซึ้งขนาดนั้นพร้อมที่จะปฏิบัติทั้งๆ ท, ท, ท, ที่ไม่รู้อะไรเนทะ่าไหร่นะศีลเป็นยังไงยังไม่รู้ด้วยทั้งไปนะยังไม่รู้ละเอียดแต่ว่าท่านพร้อมที่จะรักษาทีนี้าการการกระทําของท่านนั้นอย่างเด็กๆเนี่ยกวจะนอนไอเด็กมันก็หิวนะฮะแล้วก็เอาน้ําตาลกรวดให้อมนมา ไม่อุ่มไม่แสดงว่าพวกหมอคงรู้นะว่าน้ําตากลกรดมัให้อะไรมึงก็เด็กก็อยู่ได้แล้วก็ฝึกปรือกันมาตั้งแต่โน้นมาได้นี่ก็กลายเป็นครอบครัวซ้ามาทิฐิที่ว่าอะไรก็ว่ากันทําอะไรก็ทำด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันซึงก็หมายความว่าก็ไปในทางดีนะฮะไม่ได้ไปในทางเสียนี่เพราะ <S <S อะไรเพราะผู้นําคนเดียวนั่นเองท่านนาติบินติกะเศรษฐีคนเดียว แล้วก็นําพาบริษัทบริวารไปได้อีกเป็นนั้นมากคนประเภทนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นผู้บุรุษอัชายคําว่าบุรุษอชาชาในก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ชายนะหมายตางผู้หญิงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละคือคนใดก็ตามที่เกิดมาในสกุลใดแล้วเนี่ย ต, ตัวเองดีด้วยตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ความดีเหล่านั้นไปสู่แวดวงสิ่งใกล้ชิดแล้วก็ขยายวงกว้างออกไป อย่างพระพุทธเจ้าในะยอดบุรุษอาชาณีเนี่ยเอาเรียบเลยนะคือส ก, กุลจากรยานในอย่างน้อยรักษาศีลห้านะในตอนปลายพุทธสมัยอย่างน้อยรักษาศี่ห้าอะไรพวกนี้แล้วเป็นพระหันแยะออกบวชก็แยะก็เรียกว่าเกือบเกือบคือว่าคนชั้นนําเนี่ยเกือบหมดนี่เหลือเจ้ามหานามะอยู่ลูกลูกลูกของอ่าออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนสายพระพุทธเจ้านี่เรียบพุ๊บขนหมดเลย ให้เหลือเลยเป็นพระหานไปหมดเลยนี้ก็เป็นแนวเดียวกันถ้านาตบินิกาเศรษฐีท่านบา ร, รมีท่านน้อยกว่าท่านก็ทําได้แคบกว่าแต่ก็สรุปว่าในฐานะของอุบาสกท่านก็สมบูรณ์ในฐานะของพ่อท่านก็ทําหน้าที่ของท่านสมบูรณ์แล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นคือระดับอสูรดาบันที่ยังไงสุคติมันไม่ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรนะฮะ ธรรมดาเพราะว่าพวกนี้จะไม่เกิดในทุกขจิตเพื่อวสดาบานในปิดประตูบายฮะจะตูหปายเยหิจวิปปมุตโตปิดประตูบายเลยชะจารพิฐานานีน่ยพโูการตุงไม่ทํากำหนักแต่ผิ ด, ผ ด, ผดเล็กๆน้อยๆมีนะฮะผิดเล็กๆน้อยๆมีพังๆเผลอๆมีลูกตายร้องไห้ก็มีนะก็ๆๆๆไม่ได้คือๆๆๆๆๆอย่าลืมนะฮะว่าท่านละกิเลสสายโมหะที่แรงเท่านั้นเอง โทสะยังละไม่หมดราคะยังละไม่หมดยังละไม่ได้นะมันจะไม่ละไม่หมดแต่ก็บรรเทาอะฮะคือท่านละเฉพาะสั ก, กายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนที่เราถือเาอขาวิจิกิจารังเลสงสัยศีลปัตตบรมาถือมั่นโดยศีลวัดข้อปฏิบัติแบบครั้งแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งเป็นโมหะที่ยากโมหะที่ยากไม่ใช่โมหะละเอียดนะฮะโมหะละเอียดจริงๆมันอยู่โน้นนะฮะพระอาราหารนันต์ละได้ อยู่ที่อวิชชาตัวหลังตัวหลังสุดเลยท่านละสังโยชน์สามข้างต้นได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นรูปแบบชีวิตที่ถึงแม้จะยังไม่เป็นประโสดาบุคคลก็สามารถลอกเลียนได้เกิดดำเนินไปตามจริยาวัดของท่านได้จะสามารถอำนวยความสุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เดินไปบนเส้นทางสายนี้ได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนเรื่องราวของท่านนาตาบินจกาเศรษฐีก็ ก็ขอจบเพียงเท่า น, นี้นะครับเพราะจะเล่าเฉพาะสรุปวันละท่านสี่ครั้งเท่านั้นเองขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี